สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตสาวกตอนที่สิบเจ็ดเรื่องการเสียสละเป็นน้องที่รักสาวกต้องเสียสละครับแต่การเสียสละนี้หลายหลายท่านบอกว่าไม่ควรใช้คำว่าเสียสละเพราะว่าเราไม่ได้สละอะไรหรือเราไม่ได้เสียสละอะไรจะได้นางกลับกันพระเยซูทรงเสียสละเพราะฉะนั้น การที่เราจะใช้คาว่าเสียสละกับการที่เราจะใช้อีกคำหนึ่งก็คือว่าเราต้องจ่ายราคาจ่ายราคานั้นหมายความว่าการที่เราจะต้องจ่ายบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราเพื่อที่จะแลกมาซึ่งการเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูพี่น้องคิดว่าใช้คำไหนดีกว่ากันครับผมก็ชอบทั้งสองคำนะครับแต่คำว่าจ่ายราคานั้นตรงกับภาษาอังกฤษ pay the price p a ย์เดอะไพซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดโดยที่จะต้องสอดคล้องกับคำสอนในวันนี้พี่น้องครับพระเยซูไม่เคยพยายามที่จะทักชวนคนทั้งหลายให้เชื่อในแบบง่ายๆครับตรงไม่เทศนาเรื่องที่คนนิยมฟังเพื่อดึงดูดความสนใจของคนแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้คนมาห้อมร้อมพระองค์พรงจะบอกเขาถึงเรื่องราวแห่งแผ่นดินสวรรค์ แลงเงื่อนไขกลายเป็นสาวกที่เข้มข้นเข้มงวดมีอยู่ครั้งหนึ่งครับพระเยซูบอกให้ผู้คนว่าจะติดตามโรงนั้นคนคนนั้นต้องคิดดูให้ดีเสียก่อนเ พ, พิ่มผีพูดชัดเจนนะครับบอกว่าถ้าในพวกท่านมีผู้ใดจะปรารถนาสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูก่อนว่าจะมีพอสร้างให้สำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสมมติว่าถ้า ลงลากสร้างแล้วแล้วทําให้สําเร็จไม่ได้ไม่สามารถไปไปตามแผนงานได้ก็จะถูกคนเยอะเย้ยครับเยอะเย้ยว่าไงบอกว่าคนเนี้ยมีต้นไม่มีปลายมีหัวไม่มีหางคนนี้ตั้งต้นก่อแต่ทาให้สําเร็จไม่ได้พระเยซูก็ยังเล่าอีกเรื่องหนึง่งทึ่เกี่ยวข้องกับการจ่ายราคาหรือต้องเสียบางสิ่งบางอย่างไปเพื่อจะแลกมาซึ่งการเป็นสาวก ติดตามพระเยซูนั้นไม่ใช่ง่ายต้องคิดให้ดีซะก่อนพระองค์เล่าอย่างนี้นะครับว่ามีกรรรษัตริย์องค์ใดไหมเวลาจะยกกองทัพไปทําสงครามจะไม่นั่งลงคิดดูก่อนหรือเวลาจะไปทําสงครามต้องนั่งลงวางแผนคิดดูก่อนครับว่าจะสู้ได้หรือเปล่ากองทัพของเรามีพลาหารสักหมื่นหนึ่งจะสู้กับกองทัพที่มารบกับเราสองหมืนได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ก็ต้องเจราจากันครับขอเป็นไปไมตตีก่อขอสงบสึกก่อนเพราะนั้นครับชีวิติสเตียนพระเยซูปเปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ้าเราตั้งใจจะเป็นสาวกนั้นพระเยซูปเปรียบเทียบกับการก่อสร้างและกับการทำสงครามมันเป็นการโง่นะครับที่จะสร้างหอคอยนอกเสียจากว่าท่านรู้แล้วว่าท่านมีเงินพอหรือว่าจะสร้างตึกนะครับ ก็คงจะต้องคิดคำนวณล่วงหน้าไว้ก่อนว่าจะสำเร็จหรือเปล่าพิจารณบการตัดสินใจติดตามพระเยซูเวลาที่มีการประชุมเล้าใจมีงานอีเวนต์ใหญ่ๆคนเทศนามีชื่อเสียงมากๆมีดนตรีที่ดีมีผู้นำนำักการที่จับใจมากมีสัญญาณของอาการเคลื่อนของพระวิญญาณเสด็จมาสถิตอยู่กับที่ประชุม การตัดสินใจตามพระเยซูแบบนั้นครับเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งครับแต่การแบกกางเขนและการเชื่อฟังพระเยซูการไม่ทําตามอเาเภอใจของตัวเองการปฏิเสธตัวเองตามพระองค์ไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับแม้ว่าเราจะไม่ต้องเสียเงินเสียทองในการเป็นคริสเตียนในการเป็นสาวกแต่เราต้องเสียสละและจ่ายราคามากจ่ายราคานี้ก็คือ การแยกตัวออกจากความสุขสบายทนทุกข์ลําบากเพื่อพระเยซูพี่น้องครับการเริ่มเป็นคริเสเตียนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การดําเนินชีวิตคริเสเตียนที่ดีนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต่อมาการดําเนินชีวิตที่ดีทุกๆวันนั้นไม่ว่าจะเป็นอากาศดีหรือไม่ดีจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองจะยากลําบากจ ะ, จะเจ็บป่วยหรือสุขสบายจะสุขหรือทุกข์ต่างๆเหล่านี้ครับก็ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องนั่งคิดด้วยเหมือนกันเปเยซูแฝดครับเปเยซูแฝดที่จะให้คุณสตีนธรรมดาธรรมดาที่จะตัดสินใจเป็นสาววกนั้นพี่น้องครับพระเยซูแฝดพอที่จะเชิญชวนและท้าทายและพระองค์ได้บอกว่าต้องนั่งลงคิดให้ดีคิดให้ดีครับคิดให้ดี พี่น้องครับชุตคริสเตียนนั้นมีคุณค่าจะมีคุณค่ามากที่สุดเลยครับในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือถ้าไม่อย่นนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยสําหรับแผ่นดินสวรรค์เพราะว่าแท้จริงคริสเตียนนั้นเขาได้รับความรอดมันก็เพียงพอและยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วไม่ใช่หรือแต่การที่รับความรอดแล้วมีโอกาสรับใช้พระเจ้า มีโอกาสที่จะติดตามเป็นสาวกพระเยซูมีโอกาสนำวิญญาณมาถึงพระเยซูนั่นไม่ดีกว่าหรือครับเมื่อโลกเห็นชีวิตของเราอย่างทะลุปูโป่งโลกอาจจะเย้ยหยันถากถา ง, างแต่ภายในใจเขาจะรู้สึกนับถืออย่างจริงใจที่คนนั้นไม่นึกถึงตัวเองเลยหรือเปล่าการอุทิศตัวให้กับพระเยซู เมื่อโลกเห็นคริสเตียนไม่เต็มใจเสียสละเพื่อพระคริสต์โลกก็จะดูหมิ่นเย้ยหยันเขาครับบอกว่าชายผู้นี้เริ่มก่อแต่ไม่สามารถทําให้สําเร็จได้เมื่อเข้าเป็นคริสเตียนก็เอะอะเอกรเกฤตแต่บัดนี้ก็เหมือนเหมือนกับพวกเราชีวิตก็ไม่ต่างกันมากเมื่อเริ่มต้นก็เล่นเสียแล้วจีเลยแต่มาบัดนี้ก็เหมือนแต่ล้อหมุนอยู่กับที่พระผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูคริสต์กลัดในวันนี้ว่า คิดดูให้ดีคิดดูให้ดีพี่น้องครับเราจะต้องคิดดูให้ดีนะครับว่าเราจะสร้างตึกเรามีแผนการหรือเปล่าเรามีเงินพอหรือเปล่าเราจะทําให้สําเร็จหรือเปล่าพี่น้องครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราก้าวเดินในทางนี้เราไม่ได้ก้าวเดินคนเดียวครับมีบรรพชนแห่งความเชื่อมากมายก้าวเดินไปเหมือนกันสาวกของพระเยซู ทุ ก, กทุกสมัยทุกรุ่นก็ก้าวเดินทางนี้เช่นเดียวกันก้าวเดินนี้จะเป็นก้าวเดินที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นก้าวแรกและก้าวต่อไปนั้นเราก็จะมีเพื่อนร่วมเดินทางอีกมากมายซึ่งคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเป็นคนที่ถูกพระเจ้าเรียกเป็นคนที่จะร่วมเดินทางไปกับเราแต่ตรงนี้นี่เองเราจะรู้ว่าเราไม่ได้เดินคนเดียวครับ แต่จะมีคนอีกมากมายทั่วโลกเดินด้วยกันน่าเสียดายครับที่หลายหลยคนยังไม่เห็นความสําคัญของการติดตามพระเยซูเท่าที่ควรน่าเสียดายครับที่ยังไม่ได้เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีเกียรติที่พระเจ้าจะเตรียมให้กับเรานั้นเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากกว่าคนธรรมดาทั่วไปจะให้เรายิ่งใหญ่มากกว่าชาวโลกจะให้เรา ยิ่งใหญ่มากกว่าคนที่เรานับถือมากๆจะให้เราพี่น้องครับให้เราคิดถึงเรื่องเราแห่งแผ่นดินสวรรค์ในเรื่องเราแห่งถักศักดิ์ศรีที่เราจะได้รับเมื่อเราเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์แลายครั้งทีเดียวเราเองนั้นเป็นผู้ที่ทํางานนับใช้พระเจ้าแต่ไม่เกิดผลเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําตามน้ำมัยของพระองค์เราไม่ได้ปรานนตัวเราไม่ได้ปฏิเสธตัวเอง เราไม่ได้เสียสละเราไม่ได้จ่ายราคาเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจะได้คิดได้ไข้ควรได้พิจารณาพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าเจ้าต้องคิดดูให้ดีเจ้าต้องคิดดูให้ดีนะครับโลกกําลังเฝ้าดูอยู่มารซาตานก็เฝ้าดูอยู่ทูตสวรรค์ก็เฝ้าดูอยู่และ บรรพชนแห่งความเชื่อทั้งหลายที่เดินไปก่อนหน้าเรานั้นก็เฝ้าดูเราอยู่เราอยู่ในสนามนะครับเหมือนกับเป็นอารีนาครับเรากำลังทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการตอบสนองตอบบุคคลที่เรารักที่สุดนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นประชนแทนเราบนไม้กางเขนขอ้เราพิจารณาให้ดีครับเพื่อที่เราจะตอบสนองอย่างถูกต้องว่าเราจะยอมจ่ายราคาจ่ายราคา คิดด้วยดีเสียก่อนตามที่พระเยซูพระผู้ช่วยรอดองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นได้ส่งเตือนเราให้เราคิดให้ดูให้ดีว่าอะไรจะคุ้มค่ามากกว่ากันครับอาเมน